ในความหมายทางธรรมะอย่างไรก็ตามความหมายที่กล่าวมานี้เป็นความหมายอย่างกลางๆพอคลุมความได้กว้างๆเท่านั้นถ้าจะให้ชัดเจนมองเห็นเนื้อหาและขอบเขตจำแจ้งควรพิจารณาการแยกแยะความหมายออกเป็นแย่หรือเป็นระดับต่างๆดั ง, งนี้ระดับที่หนึ่ง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 และกำหนดทิศทางแห่งการกระทำทั้งหมดของมนุษย์เป็นตัวการหรือเป็นแกนนำในการริเริ่มปรุงแต่งสร้างสารรค์ทุกอย่างจึงเป็นตัวแท้ของกรรมดังพุทธพจน์ที่ว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวัามิเป็นต้นแปลความว่าภิกษุททั้งหลายเจตนานั่นเองเราเรียกว่ากรรม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 ซึ่งแต่งจิตให้ดีหรือชั่วหรือให้เป็นกลางๆงปรุงแปลกา ร, รตรึกนึกคิดในใจและการแสดงออกทางกายวาจาเป็นกรรมแบบต่างๆถ้าจะแปลง่ายๆก็ว่าความคิดปรุงแต่งแม้ในความหมายแง่นี้ก็ยึดเอาเจตนานั่นเองเป็นหลักบางครั้งท่านก็แปลเอาง่ายๆรวบรัดว่า สังขารก็คือเจตนาทั้งหลายนั่นเองระดับที่สมมองเลยออกมาข้างนอกเล็กน้อยคือมองในแง่ของชีวิตที่สําเร็จรูปแล้วเป็นหน่วยหนึ่งหนึ่งหรือมองชีวิตที่ด้านนอกอย่างเป็นหน่วยรวมหน่วยหนึ่งหนึ่งตามที่สมมุติเรียกกันว่าบุคคลหนึ่งหนึ่ง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 ธรรมะสองประการนี้เป็นเหตุให้เดือดร้อนสองประการคืออะไรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มิได้ทำความดีงามไว้มิได้ทำกุศลมิได้ทำบุญซึ่งเป็นเครื่องต่อต้านความขลาดกลัวไว้ทําแต่บาปทาแต่กรรมหยาบช้าทําแต่กรรมร้ายแรงเขาย่อมเดือดร้อนว่าเราไม่ได้ทํากรรมดีงามดังนี้บ้าง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 ผู้ใดอาศัยสอนและสัตตาเลี้ยงชีพผู้นั้นเป็นทหารอาชีพผู้ใดเลี้ยงชีพด้วยหน้าที่ปุโรหิตผู้นั้นเป็นเจ้าหน้าที่การบูชาหาชัยพรามไม่ผู้ใดปกครองบ้านเมืองผู้นั้นเป็นราชาหาชัยพรามไม่เราเรียกคนที่ไม่มีกิเลสค้างใจไม่มีความถือมั่นว่าเป็นพรามคนมิใช่เป็นพรามเพราะชาติกาเนิด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 ย่อมมองกรรมตามเป็นจริงอย่างนี้โลกย่อมเป็นไปเพราะกรรมหมู่ประชาย่อมเป็นไปเพราะกรรมหรือดังพุทธพจน์ในอคัญยสูตรเช่นว่าครั้งนั้นแหลพวกสัตว์ที่เป็นผู้ใหญ่จึงประชุมกันรันแล้วต่างปรับทุกกันว่า ท่านเอ๋ยธรรมะโ่วร้ายทั้งหลายปรากฏขึ้นในหมูสัตว์ทั้งหลายเสียแล้วหนออันเป็นเหตุให้การลักทรัพย์ก็ปรากฏมีการติดเตียนกันก็ปรากฏมีการพูดเท็จก็ปรากฏมีการถือไม้พลองก็ปรากฏมีอย่างกระนั้นเลยพวกเรจาจักเลือกตั้งคือสมมุติสัตว์ผู้หนึ่งขึ้นให้เป็นผู้ว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวได้โดยชอบให้เป็นผู้ตำหนิ ผู้ที่ควรตำแหน่ดได้โดยชอบให้เป็นผู้ขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่ได้โดยชอบพวกเราจะแบ่งส่วนข้าวสาลีให้แก่ผู้นั้นดังนี้ครั้นแล้วสัตว์เหล่านั้นจึงพากันเข้าไปหาสัตว์ผู้สง่างามน่าดูน่าชมน่าเลื่อมใสและน่าเกรงขามยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหมดนั้นแล้วแจ้งความดังนี้ว่ามาเถิดท่านสัตว์ผู้เจริญ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 คำว่าสัตว์ในภาษาบาลีปกติหมายถึงคนเป็นหลักเช่นเรียกพระพุทธเจ้าเมื่อก่อนตรัสรู้ว่าโพธิสัตบ้างมหาสัตบ้างแล้วเรียกแม้ภายหลังตรัสรู้แล้วว่าสัตว์ผู้ไม่มีทางลงได้เลยบ้างหรือในจักวตติสูตรเช่นว่าภิกษุทั้งหลาย โดยในญาดังนี้แหละเมื่อผู้ครองแผ่นดินไม่จัดเสริมเพิ่มทรัพย์ให้แก่ชนทั้งหลายผู้ไร้ทรัพย์ความยากจนก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อความยากจนถึงความแพร่หลายการลักทรัพย์ก็ถึงความแพร่หลายเมื่อการลักทรัพย์ถึงความแพร่หลายสัตราก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อสัตราได้ถึงความแพร่หลายการฆ่าฟันสังหารกัน คือปานาติบาตก็ได้ถึงความแพร่หลายเมื่อการฆ่าฟันสังหารการถึงความแพร่หลายการพูดเท็จก็ได้ถึงความแพร่หลายการพูดส่อเสียดการเมสุมิชาจานธรรมะสองอย่างคือพรุสวราวาทและการพูดเพ้อเจอ้อจนถึงอภิชาและพยาบาทมิชาทิฏฐิก็ได้ถึงความแพร่หลาย ในที่นี้คําว่าจัดเสริมเพิ่มให้แปลาจากอนุปทานซึ่งหมายถึงคอยจัดเพิ่มให้หรือเอาใจใส่คอยจัดแบ่งปันให้จะแปลว่าปันเฉลี่ยก็ได้อย่างไรก็ตามแม้จะให้มองความหมายของการมครบทั้งสี่ระดับอย่างนี้เพื่อได้ความหมายที่สมบูรณ์แต่ก็ขอสรุปย้ำไว้ว่า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 หรือในรูปของโลภะโทสะและโมหะหรือจะนำหน้าภาคุศละธรรมออกปฏิบัติงานส่งเสริมประโยชน์สุขทั้งหมดนั้นยอมเป็นอำนาจอิสระของเจตนาที่จะทำการกระทำใดร้ายเจตนาก็ยอมไม่มีผลตามกรรมมนิยามคือไม่เป็นกรรมไม่เป็นไปตามกฎแห่งกรรมกลายเป็นเรื่องของนิยามอื่นทำหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตุนิยามคือมีค่าเหมือนกับการที่ดินถลม่มก้อนหินผุกร่อนร่วงหล่นจากภูเขาโดยกิ่งไม้แห้งหักลงมาเป็นต้น